เธอคงไม่ยอมเข้าใจที่ฉันเป็นอยู่เธอคงไม่ยอมเข้าใจอะไรทั้งนั้นเธอคงไม่เคยคาดฝันสิ่งหนึ่งที่เธอต้องยอมรับมันการที่ไม่มีฉันในทุกอย่าง มันไม่มีอะไรแน่นอนทุกทุกอย่างและมันไม่มีอะไรยังงยืนทุกทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปที่งเหลือเวลาไม่นานเท่าไรสักวันเมื่อฉันจากไปเธอจะเข้าใจ